พุทชาวิสัชนาทรับกับท่านโลกาลงาและหลวงพัอชีนานโยตอนยิ่งหาก็ยิ่งตันเพราะปัญหาตอนที่หนึ่งวามเมียของคุณกำลเดินทางมันตกมันตกเ ม, มันเหมือนกับตกลงจากภูเขาไม่ได้ขึ้นเขาเกิที่ตกรถจากภูเขาเพราะว่าคุณแบบเร่งได้ความอยาก พอมันมีความอยากและคุณมันคับห้องใจไม่ได้อย่างใจมันเลยกลายเป็นกิเลสเดินทางตรงข้ามพันิพานคุณเลยกลายเป็นแทนจะขึ้นเขาพันิพานคุณตกขเขาตัวเนี้ยเพราะว่าคุณเดินทางได้ความอยากด้วยความเร่งเพื่อให้มันอ่ะให้เราให้เราจะได้เราจะเป็นเราจะเอาแต่ความจริงอันนี้นมันเป็นกิเลสตัณหาตรงข้ามพนิพานถ้ามีตัวเราที่จะเอาที่จะได้ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีคือมันการจฏิบัติเพื่อขึ้นเขามปฟังพันธิพานคือ สิ้นความมีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเรามีแต่การกระทําแต่ตัวเราไม่มีมีแต่สัวติปัญญาที่รู้แจ้งว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราไป็นสวยอะไรไม่มีตัวเราได้ไม่มีตัวเราเป็นมีแต่มีแต่ทางที่เดินคือมีแต่มรรคแต่ผู้เดินทางไม่มีมีแต่นิพพานแต่ผู้บรรลุพระนิพพานไม่มีผู้จิตถึงพระนิพพานไม่แต่ของท่านเนี่ยทําอะไรท่านมีมีตัวเราอยู่เบื้องหลังคือ เร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งแต่เร่งเพื่ออะไรเพื่อให้เราตัวเราเนี่ยจะบรรลุเพื่อให้ตัวเราเป็น <S <S เพื่อให้ตัวเราเห็นให้ตัวเราเข้าใจ <S <S เพื่อให้ตัวเรารู้แจง้งถ่านมีตัวเราที่จะเป็นผู้เสพผู้เสวยผู้ร อ, อได้รับผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังท่านต้องเห็นตัวนี้แล้วทิ้งตัวนี้ไปพอคิดพอคิดจะทำตัวพรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวคือแต่ความเพียรต้องเพียรอยู่นะแต่เพียรเพื่อ ให้ละวางไม่จะเพียนเพื่ออะไรนะไม่ใช่ว่าเพียนให้ได้อะไรแต่เพียนละวางตัวตนเพียนละวางความเป็นตัวตนเหมือนเหมือนกับแทนที่จะมองไปในให้กลับมาใช่ใช่ใช่ใชมองไอ้ตัวที่อยากได้ใช่ใช่เป็นที่รู้สึกว่าเราจะเป็นเราจะได้เราอยากได้แล้วมันไม่ได้อย่างใจถ้าเราเลยคับค้องใจปิดอัดขับค้องใจกลายเป็นหุดหงิดอยู่ข้างในและหุดหงิดออกไปข้างนอก เวลาที่ผมมีความที่ว่าผมผมรู้สึกตัวนี่ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าบางทีว่ามันมันหันกลับมามองอันนี้คือผิดใช่ไหมมันมันมีตัวกลับให้ถูกอืมไม่มีมันมีตัวกลับก็เพื่อให้เราจะเป็นเนี่ยนี่ยแม้แต่ถ้าจะมีตัวกลับมามองตัวท่านเองอ่ะมันก็มีตัวท่านอยู่มันจะรอผลประโยชน์รอเสวยรอรอเสพสุขอยู่เบื้องหลังรอผลรออะไรล่ะมีมีตัวบงการอยู่เบ้องหลังพง่ายแสดงว่า ที่ผมรู้ว่าผมหลงนะคืถูกแต่พอขันกลับมารู้สึกตัวอันนี้ผิดเลยแม้แต่ตอนนี้ถ้านยังหลงอยู่แม้แตอนอยู่ต่อนหน้าผมตอนเนี้ยท่านวางเลยแล้วท่านจะเข้าใจหมดเลยตอนนี้ท่านวางให้หมดเลยวางในที่ที่ท่านรู้ที่ให้ท่านเห็นที่ท่านเข้าใจมาแล้วที่ท่านเดินจงกรมมาแล้วนั่งสมาธิมาแล้วที่ท่านอทำความเพียรมาแล้วทั้งหมดทั้งที่ความรู้ความเห็นเขา้าใจใจของท่านตอนนี้ท่านวางให้หมดเลยวางที่นี่เกี่ยวกับ ไม่เอาอะไรเลยไม่คิดว่าจะได้อะไรจะเป็นอะไรเลยมีแต่ปัจจุบันที่วางทิ้งหมดไม่มีอนาคตไม่มีอดี meeting, ique, ตที่ท่านรู้อะไรมาทั้งหมดและไม่มีอนาคตที่ท่านจะไปได้อะไรแต่แหน่ปัจจุบันเนี่ยที่ท่านวางหมดนี่เนี่ยคือเป็นธรรมหมดเลยเป็นพระนิพพานหมดเป็นธรรมหมดเอย่างนี้เลยแส่ที่ท่านเร่งทำทั้งหมดเนี่ยท่านหวังว่าจะไปได้นิพพานในอนาคตหวังจะไปดูนิพพานในอนาคตอย่างเนี้ยท่านไรจับความเงาวิ่งไล่จับความเงาไม่ทันสักที ท่านวางหมดนั่นแหละคือความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันไม่ใช่ไป Pursue ป น, นิพพานในอนาคตถ้ า, าท่านจะหวังไป p u r นิพพานในอนาคตเล่นไงเล่นไงอันนั้นแหะกิเลสของท่านเนี่ยเจะมีตัวท่าน่อยู่เบื้องหลังตลอดเลยในการที่จะไปเอาข้างหน้าการที่จะไปสเสวยจะไปได้อะไรจะปรสะสบกิเ็สอะไรท่านก็จะวิ่งไล่จับคว้าเงาตัวนี้เรมือนรถเล่งได้แตใจอย่าเล่นเหมือนรถเล่นได้แต่ใจอย่าเล่งนะ <laughs> ทำความเพียรไปแต่ทำความเพียรก็เพื่อว่าให้เห็นความให้เห็นว่าตัวเราจะมีตัวมีตัวเราไปเอาเราก็หวางไปหมดเนี่ยอย่างนี้ถ้าเริ่มยุดกันพอท่านหยุดกะจบมันก็เป็นนิพพานในปัจจุบันไม่มี น, นิพพานในอนาคตหรอก ม, มันมันมีความใก่้เคียงกับความรู้สึกตัวจริงๆไม่รู้แล้วมันมั น, น, นท่านท่าไม่ต้องใช้คำอธิบายใ ด, ด้เลยเนี่ยมันเป็นในจิตใจของท่านเองว่าต้องมีคำอธิบายใดๆเลยหลังจากที่ผมพูดแล้วผมจอยากให้ท่านคิดต่ออีกหน่อยก็พบว่าท่านจะได้เข้าใจในปริญญาของท่านเองว่ามันค่อยๆสโลว์ดาวนลงมัน ไอ้ความหมุนจีจีจจมันค่คอยค่อยช้าลงหมุนช้าลงหมุนช้าลงไอ้ที่จะหมุนไปจะไปเอาอะไรข้างหน้าเนี่ยมันค่คอยค่อยช้าลงช้าลงช้าลงแล้วมันก็สโลงดาวลงแล้วมันก็หยุดลงเหมือนขับรถมาได้ความเร็วสูงแล้วก็แล้วก็ดับเครื่องอ่ะดับเครื่องแล้วปล่อยมันวิ่งไปเองอ่ะตอนนี้ผมผมก็รู้สึกว่ามันเป็ น, ย น, น, นอยังไงเรือมันมันทีแรกมันหมุน มันก็เหมือนกับว่าเนี่ยท่านขับรถมาได้ความเร็วสูงอ่ะพเพื่อจะขับมอเตไซค์มาหรือว่าขับรถมาเนี่ยแล้วท่านก็ดับเครื่องยนต์เนี่ยไอ้ปิดสวิตดับแล้วปล่อยมันวิ่งไปเองอ่ะตอนเนี้ยผมเลยยอมให้ท่านเนี่ยแม้แต่ใช่ท่านความคิดตา่ำกว่าใจอยู่ก็ยอมให้ท่านใช้ความคิดต่ากว่าใจเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ท่านเนี่ยเข้าใจรวบยอดแล้ท่านรู้ท่านเห็นแล้วใจท่านเป็นจริงๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในตัวเองไม่ใช่ผมไม่บังคับให้ท่านหยุดแล้วท่านก็จะรู้เองว่ามันสโลว์ดาวนรถมันค่อยค่อย ค่อยๆเพระมันไม่ได้ไม่มีเครื่องสตาร์ทแล้วนี่ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องเร่งเครื่องไอ้เครื่องที่อยากได้ไอ้ความอยากได้เนี่ยคือคือเครื่องที่ยังติดอยู่เออตอนที่ท่านเราดับไอ้ความอยากเไปแล้วเนี่ยสติปัญญาที่ท่านเนี่ยทําความเข้าใจรวบยอดที่ผมพูดเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบเหมือนกับท่านดับกุญแจเลยรถมอเตอร์ไซค์รถหยุดแล้วไอ้ความที่เราทําความเข้าใจไปแล้วเรารู้เราเห็นตามไปอันนี้รถมันไหลไปด้วยกำลังของมันเอง แล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงแล้วมันก็หยุดหมุนเพราะว่าท่านหยุดอยากไปแล้วไงแต่ถ้าท่านทำไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเอาอยากบรรลุอันนั้นแห L ละรถท่านยังไ ม, ไม่ได้ติดกุญแจเลยเครื่องมันยังติดถ้าทําให้ตายเล่งให้ตา ย, ตาย ม, มันไปได้วยความอยากแล้วมันจะมีโอกาสการะโดดาวเมื่อไหร่แล้วก็เพราะมันไม่มีโอกาสช้าลงช้าลงหลังร ถ, รถเพราะว่ารถถัดติดไปด้วยเครื่องเร่งคือคือ ที่ฟังนี่มันมันเข้าใจนะครับเข <ừ ừ S 2> ้าใจอยู่เข้าใจอยู่ถึงการเปรียบเทียบแตว่ามันเข้าใจด้วยสมองใช่หรือเปล่อาอ๋อใจก็เป็นจริงๆไงเป็นจริงไงเออประเด็สมองใจถ้าก็เป็นจริงผมต้องยอมจริงไงยอมให้ท่านเป็นนั่ น, นังเลยจริงไงแต่ถ้าจะหยุดสนิทแล้วต่อไปถ้าเกิด ต, ต้านเครื่องหรือไม่ เ, เรื่องของท่านนะทาจะยอมยอมหยุดสนิทแล้วเปล่าล่ะถ้าท่านยอมหยุดหยาบสนิทนะมันก็จบลงในปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าท่านวันนี้ดี ถ้าในหมุนกุญแจแท้ปัสตาน้องวิ่งจู๊ดไปอีกอะอยากอีกอยากอีกคุณ อ, อ, อย่างนี้เป็นเล่องอีกแล้วคือถ้าถ้าดับเครื่องแล้วปล่อยให้แรงเฉื่อยไปเองใช่เจอมันหมดปรปุ๊บก็คืจบใช่แล้วปสาตานิดใหม่ก็เอาอีกเออใช่ที่มันกุญแจได้เลยนะก็ต้องรู้เรื่องเห็นในปัญญาของเราว่าโอ้โหไอ้ความอยากของเรานี่ยมันทำให้เราทุกข์เราเครียดเราไม่พ้นทุกข์ไม่บรรุนิพพานในปัจจุบันก็เพราะความอยากเราคือเอาเอาความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็น อยากเข้าใจอยากสาเร็จอยากบรรลุทําไอ้ไปสตาร์ดอีกแล้วไปเดินจมกองไปนั่งสมาธิก็สตาร์ดทำในก่อนสตาร์ดเครื่องผมผมมาเป็นเมื่อวานนะที่ว่าที่วันนี้ปล่อยในตอนแรกมันน่าจะอยู่ตอนที่สองหรือสามที่หลวงพ่อบบอกว่าอยากจิตจิตหมดเรื่องธรรมะนะครับเวลาจริงใจจริงหนเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเรื่อยมาได้คือ มันไม่เอาทั้งทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้เนี่ยไม่เอาตอนเนผมผมเพิ่งบรเข้าใจคําบเนีมื่อวานในที่ที่ผมฟังแลว้วบางอย่ผมเดินไปทวนนะโอ้มันอยู่ตรงนี้นที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับเป็นธรรมดา<ช>คือมันไม่มีทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ไม่มีทั้งผู้ที่ไปรู้ทั้งสองอย่างไม่มีเลยวางหมดมันเกิ ด, <า>ดทั้งวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็วางทั้งผู้รู้วางหมด ในวางหมดเนี่ยก็เท่ากับว่าท่านอ่ะปิดกุญแจรถจักรยานโยนต์อยู่ปิดไอ้ดับกุญแจรถยนต์นะสตาร์ทในกุญแจตรงนี้ท่านต้องเล่งอีกแล้วไปสตาร์ทอีกแล้วก็คือเอาเขารู้ไป็ปิดกุญแจอีกใช่ใช่พไปด้วยความอยากเหมือนท่าก็ไปเล่งเดินจงกรมไปนั่งสมาธิด้วยความอยากไอ้ที่เราเดินไปเดินมาเดินจงกรมนั้นเราทำที่ไรเพื่อให้เห็นความยากนี่ไงว่าเราจะไปสตาร์ทกุญแจอีกแล้วแล้วเราก็ค่อยๆดับมันไปดับมันไป แล้วที่สุดอ่ะก็ดับความอยากในใจหมดสิ้นไอ้ที่เหลือมันเลยเป็นมันเป็นเองคือมันเป็นธรรมชาติที่ที่มันเกิดเองดับเองเก right ิดเองดับเองไม่ใช่ว่ามีคนเป็นคอยดูไปรู้มันคนไปดูก็ไม่มีไม่มีมันมีแต่ว่ามันมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล well <iot> <laus on> <monster> ้วถึงนั้นก็ดับไปไม่มีใครเข้าไปเสวอไม่มีใครเข้าไปลองรับมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นไปของมันแต่ไม่มีตัวผู้ไปดูไม่มีตัวผู้ไปรู้ไม่มีตัวผู้ไปปล่อยวาง ไม่มีตัวที่ไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นอยู่แต่ไม่มีใครไปไปจัดการกับมันไปรองรับมันหรือไม่มีธรรมชาติของตัวเราที่ไปเป็นอะไรมีแต่ทุกอย่างเป็นธรรมชาติตัวเราไม่มีอันนี้คือมันไม่ใช่เรืร่องลึกลับเลโอยมันเป็นธรรมชาติทีม่ ม, มีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติปกติอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วธรรมชาติคือคุณดูดิ ในธรรมชาติมีอะไรมีสสารเนี่ยสสารที่คุณจับต้องได้เนยมีสสารแล้วก็มีอะไรมีพลังงานเนี่ยไอ้ไอ้ไอลมของพัดลมที่เป่ามาโดนคุณเนี่ยมีพลังงานมีพลังงานพระอาทิตย์พลังงานลมนี่ไงพัดลมนี่เป่ามาโดนคุณพลังงานเพราะอาทิตย์พลังงานลมพลังงานขึ้นไปเลยโลกพลังงานประจุไฟฟ้าเนี่ยพลังงานเสียงที่พูดคุยกันนี่ก็เป็นพลังงานแล้วก็มีสสารคือตัวเราเนี่ยแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีความว่างของจักรวาลนี่ย ธรรมชาติน kind of e ี่ค uh, ือธรรมชาติในร่างกายเราเนี่ยเนี่ยร่างกายเราก็เป็นสสารไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราก็มีพลังงานเป็นพลังงานแล้วก็มีใจที่เป็นความเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลดังนั้นมันก็มีแค่สสารก็ไม่ยังไม่แตกดับยังไม่ถึงเรความตายร่างกายไม่แตกดับไอ้พลังงานคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันยังไม่ถึงเรื่ความตายพลังงานก็ยังทํางานได้อยู่แล้วก็ความว่างมันก็ยังมีอยู่คือความว่างคือความไม่มีผู้ไปยึดอะไรเป็นความว่างเปล่า เป็นความว่างเปล่าเนี่ยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าอยู่เพื่อทําให้อะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเกิดดับได้ในความไม่ในความว่างเปล่าในใจที่ว่างเปล่าในธรรมชาติที่ว่างเปล่าเพราะว่าคุณลองดูในในสถานที่นี้ยถ้าในสถานที่นี้นะไม่มีที่ว่างเลยโอ้โหแบบเอาของมาวางเต็มเลยหรือคนมาอยู่อัดเยีดยดเลยคุณว่าพัดลมเนี่ยมันจะหมุนได้มันจะสายได้ไหม มันเป็นธรรมชาติแท้ๆไม่ได้ลึกลับอะไรเลยคือว่ามันต้องมีความว่างไอ้พัดลมเนี่ยมันจะหมุนได้มันจะสายได้ถ้าคุณรอของมาวางแน่นนั่นเอียดเลยในสถานที่นี้จงก็ท้องแบบว่าไปไปไปขวางไปพัดลมหมดเลยเนี่ยแล้วพัดลมจะหมุนได้จะจะสายได้ไหมตอนนี้มันก็ไม่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวได้ที่มันเกิดจับได้ที่มันเปลี่ยนแปลงได้มันต้องเคลื่อนไหวเกิดจับเปลี่ยนแปลงอยู่ในที่มีมีความที่มันมีความว่าง ท่าที่เราเนี่ยยังมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับอยู่ได้แสดงว่ามันเกิดดับอยู่ในความว่างและร่างกายเราเนี่ยยังเดินไปนู่นเดินมานี่ได้เพราะว่ามันมีความว่างให้เราเดินไ ป, นไ ป, น ป, นนไปคุณลองไปเดินผ่านนี่เนี่ยเดินผ่านต้นเสาเนี่ยเดินผ่านผนังห้องเนี่ยคุณเดินผ่านได้เมื่ไหร่เพราะมันไม่มีมันไม่มีความว่างคุณเดินผ่านไม่ได้คุณเนี่ยร่างกายคุณเคลื่อนไหวไปได้ผ่านไปได้รครับเพราะ ว, ว่ามันเนี่ย มันมีความว่างถ้าไม่มีความว่างอ่ะมันเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดดับไปได้ถ้าไม่มีความว่างอ่ะตัวเราก็เคลื่อนที่ไม่ได้มีของมาอัดตัวเราในนี้เต็มไปหมดเลยมีคนมาเบียดเราเต็มหมดเลยในเนี้ยเราจะหมุนตัวยังหมุนไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรอบตัวเรามันมีความว่างเราเลยหันซ้ายหันขวาเดินหน้าเดินหลังได้แกว่งไม้แกว่มือได้เพราะว่ารอบตัวเรามีความว่างไอ้จิตมันมีความรู้สึกนม่คิดอารมณ์ได้กรับเพราะว่าไอ้เนี่ยรอบจิตเนี่ยมันมีแต่ความว่าง ไอจมันเลยเคลื hmm. alive, ่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างกายจิตใจเรามันมีความว่างอยู่แล้วโดยธรรมชาติคือความไม่สะกดอะไรร่างกายจิตใจมัเคลื่อนไหวได้แต่เราอะไรเห็นมันมีแค่สองอย่างคือมีสารกับพลังงานแต่เราไม่เห็นอีกอย่างหนึงคือมันมีความว่างไอความว่างเราเห็นมันไม่ได้ไงแต่เราเห็นมันได้เพราะมีความว่างคือเราเห็นจากความมีเนี่ยพอพอมันเลยความมีไปมันเลยไปความว่าง ดังนั้นถ้าคุณไม่ยึดความมีไม่ยึดสาสารไม่ยึดไม่ยึดไม่ไม่เข้าไปยึดไอ้ไม่ถูกไอ้ไอ้ความมีคือสาสารไม่ถูกไอ้พลังงานมันบังตาคุณเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าไอ้ความมีทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในความว่างแต่ที่คุณไม่เห็นความว่างก็เพราะว่ามันถูกไอ้ศาสารและไอ้พลังงานเนี่ยมันบังตาหมดทําไมคุณจึงเห็นว่าในนี้ในในศาลาเนี่ยมันมีมันมีที่ว่างเพราะอะไรเพราะคุณเห็นสิ่งที่มีไง พอคุณเห็นสิ่งที่มีคุณเลยเปรียบเทียบกันได้ว่าเออนอกจากสิ่งที่มีแล้วมีความว่างแต่ถ้าคุณไปยึดสิ่งที่มีสิคุณไปอยู่ในเสาเนี่ยไปอยู่ในกําแพงเนี่ยคุณมอง to to <institution Peace. S 1> ไปเห็นความว่างหรอกเพราะคุณไปอยู่ในมันเออคุณเห็นความว่างได้ไงเพราะคุณไม่ไปอยู่ในเสาคุณไม่ไปอยู่ในกําแพงคุณออกไปนั่งอยู่ข้างนอกเสานอกกําแพงเนี่ยคุณเลยมองเห็นว่านอกจากความมีแล้วมันมีความว่างคุณเลยมองเห็นภาพรวมได้แต่พวว่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่าน ท่นใช้คํำนี้ว่าเราเนี่ยที่เราพยายามไปดูไปรู้ไปเห็นไปเดินชงกลมไปนั่งสมาธิเ น, นี่ยเราทําไปได้วยความอยากอยากอยากยากยากเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราไปทําอยู่ในถ้าเราเข้าไปในถ้าเราเลยมองไม่เห็นภาพรวมของไอ้ไอ้ถ้ำเนี่ยถ้ากับภูเขาเนี่ยภายนอกเนี่ยมันตั้างอยู่ยังไงเราเมื่อเราเข้าไปอยู่ในถ้ำไปแล้วเนี่ยเราทำไปได้วยความอยากเราทําแบบมุ่งเข้าไปมุ่งเข้าไปมุ่งเข้าไปเราทํำไปได้วยความอยาก เราเลยมองไม่เห็นว่าไ อ, ไอ้ภูเขากับภูเขากับถ้ำหลวงนี้มันมีรูปร่างอย่างไงในความบ้างเราเลยมองไม่เห็นแต่ความบ้างเห็นแต่ความมีมันมีแต่ถ้ า, แ ล, า แ, ลแล้วไปมีโพรงเราก็อัดลอยมีแต่ตัวร่าอัดเข้าไปก็ไปเราเลยมองไม่เห็นแตสงสว่า <conclusion> พอเราออกมานอกถ้าเราจึงมองเห็นถ้ำและภูเขาที่อยู่ในความบ้างของธรรมชาติของจกอักรวาลเราจรึงต้องออกมาจากสสารคือร่างกายเราแล้วก็ออกมาจากความคิดหรือตัวองค์แต่งหรืออารมณ์ เราจึงเห็นความว่างไดเห็นว่าในความมีมีความว่าแต่ไม่ใช่ว่าที่เราออกมาถือว่าเราพูดให้เข้าใจไม่ใช่ว่าสร้างตัวเราให้ให้ออกนอกตัวเราไปลอยไปในราการนไม่ใช่นะคือเราไม่ไปยึดที่นั่นเองไม่ทําไปได้ความยึดความอยากธรรมชาตินั้นก็ปรากฏแก่ใจเราเองจึงบอกว่าประคุณเนี่ย ยังนั่งสบายๆเดินจะโกลมเร่งมาด้วยตอนที่คุณเท่ากับตอนที่คุณสตาร์ทคุณแจอยู่ด้วยความอยากเนี่ยคุณไม่เห็นความจริงหรอกพอคุณดับกุญแจลงแม้มันจะเคลื่อนไหวยังไงก็ตามมันเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีใครส่งไม่มีแรงส่งแต่มันเป็นการเคลื่อนไหวของขันท่าโดยธรรมชาติแรงส่งมันไม่มีแล้วแรงอยากไม่มีแม้แต่มันมีความคิดอยู่มันก็ไมมีความทุกข์อะไรใจมันค่อยๆว่างเปล่า คือคือที่เปรียบมาหมดผมผมมองภับการเข้าใจหมดเลยครับแต่ว่ามันมาตัดสินกันที่สุดท้ายเนี่ยนี่นี่นี่คุณผิดตรงไหนรู้ไหมเนี่ยคุณรอรอผลที่จะเกิดขึ้นคุณพูดเองนะเมื่อกี้มาตัดสินกันที่ผลสุดท้ายแสดงคุณร อ, อผลจะเกิดขึ้นที่คุณจะเอาผลสุดท้ายคือคือที่เปรียบมาทั้งหมด คำว่าสุดท้ายที่การที่จะปล่อยวางยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ถ้าถ้าพูดปุ๊บผมสรุปปุ๊บว่ามีเอาตัวผมไปปล่อยวางใช่จ่าหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ผมก็เข้าใจอีกแต่ว่าผมจะพูดถึงว่าเนี้ยตรงเนี้ยมันคลิกตรงเนี้ยที่ที่มันมถ้าพูดคำไหนไปก็โดนกินํารันเออใช่เพราะมันนิดเดียวอ่ะนิดเดียว ที่พูดมาผมเข้าใจบมเลยไม่พลาดเลยหมดเลยผมเคยอ่านหนังสือของหวีดบัวเพื่อนที่ที่ไปถามขั้นสุดท้ายเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เลยก็วางนี่ยกแก้วมาวางใจเ้าหลุดตอนนั้นมผมไม่รู้ว่เขาหลุดใจจริงๆ <laughs> ถ้ตอนนี้ไงท่านยังทำอย่างนี้นะ ท่านยังมีผู้จะเอาน่าสนใจของท่านผมจะแสดงให้ดูเะครับวันนี้ก็อดัเาอาดเทปมาผมเลยทําพูดออกมาด้วยว่าเนี่ยไม่ได้ไม่มีวีดีโอมาไม่ไม่มันจะทําให้ดูเฉยจะให้มันเก่งอยู่ในเทปเ้ยเพื่อจะได้รู้ว่ามันกิริยาการที่ทําให้ท่านดูคือ ท, ท, าาท่านในจริงแบบผมจะทํากระนาาการไปในท่านใูตท่านยังไม่อยู่จริงจรงท่านมือนตี๋อยู่มันจะเข้าใจล้ว มันก็ติดเองสักหน่อยใช่เนี่ย ก, กิเลสเท่านั้นแหละมันต้องซื้อกิเลสมันถึงจะเห็นความจริงท่านมันยังไม่ห ย, ยุดจริงๆไงไม่หยุดดิ้นรนไม่หยุดแสวงหาไม่หยุดกนคว้าไม่หยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นเพราะไอเ น, นี่ยมันเป็นตัญหาหมดถ้าตราบใดยังมีตัญหามันตกข้ามปฏิภาณเพราะว่าตัญหาคือบวนความกลับไปหาระตะตัด น, นั้นคุณยังไม่หยุดจริงๆเนี่คุณแสดงกิริยาการภายในใจคุณมันหน้าเน่อยู่ที่หัวตกตาโม่งหโมันกุดคิดกุดคิดกุดคิด หลกติ๊บเดียวมันหลีกติ๊เดียวมั น, ม, นมันใกล้จะเข้าใจละมันมันจะเข้าใจละอะไรเนี้ยช่วงช่วงช่วงที่ฟังไปเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นตลอดมันมันคิดอะไรอนี้ปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวนี้เนยคุจะเป็นอยู่เลยเนี่ยคือคื อ, ค อ, ค อ, คอตอนผมฟังผมผ ม, ผมไม่ไแน่นอย่างนั้นไงแต่พอผมพูดมันแน่นละอเอาตยวนี้ตอนนี้แน่นเลยคุณเลิกกอหน้าผมตอนนี้คุณยังําอยู่เลยเนี้ยคุณยังจะไม่หยุดจริงจริอ่ะคุณยังไม่หยุดเลย แต่แต่ก่อนที่จะพูดน่ยผมรู้สึกว่าใจมันโล่งกว่าดีพอผมเริ่มพูดเนี่ยแน่นขึ้นก็นี่ไงเขคุณจะไม่หยุดเยอะคุณจะไม่หยุดเอยคุณไม่เห็นว่ามันเป็นทันห่าง่ายกิริยาของคุณเนี่ยแรกคุณเห็นว่าเนี่ยอกิริยาการที่คุณไม่หยุดเนี่ยมันเป็นทันหามันเป็นตรงข้ามวิพญาณก็ใช่คือมันมันหมกมุ่นเนี่แหลมันหมกมุ่นหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่น ทุกจะหักผมจะหักดิบให้เขาก็ไม่ยอมใจไม่ยอมเพราะว่าวิชาญเขาต้องการของเขาจ่าเอาเหตุผล ม, มาลองรับไปได้หลวงพ่อช้าพูดไงรู้ไหต ม, ไมหตอนนั้นเนี่ยมันเหนือเหตุนอเขือ น, นอกเหตุเดี๋ยวผลถ้าจะเอาเหตุผลให้ตำตาไ ม, า ม, มา่มีทางไปมารู้สึกแน่นกว่าเดิมอีก ั็หมุนเร็วก็นเลยก็หมุนเร็วไปก็เพื่อหยุดหมุนมันหมุนเร็วยังไงก็เพื่อหยุดหมุนมันได้ไปไหนแล้วเพราะว่ามันก็หมุนอยู่ในความว่างในความไม่มีอะไรแหละมันจึงมีความว่างมากมันก็เลยหมุนเร็วมากในความหมุนมันก็หมุนอยู่ในความว่างนั่นแหละไอ้ที่หมุนเนี่ยนไม่ใช่เรา ไม่มีตัวเราเลยนั้นจะหมุนเร็วหมุนช้าไม่ได้เกี่ยวกับเราเมันหมุนอยู่ในความว่างนั่นยิ่งมันว่างมาเท่าไหร่มันก็หมุนเร็วเท่านั้นอาการที่หนักเบามันเป็นสิ่งที่ถูกรูรราการก้ก็ต้องไปวางหมดตัวเราผู้รู้อาการหนักเบาก็ต้องไปวางหมดไม่มีเราหนักไม่มีเราเบามีแต่อาการหนักเบาซึ่งเป็นสังขาร เป็นกิจตสังขารเป็นความปรุงแต่งไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีกองไ า, าคำว่าปล่อยวางหมายถึงว่าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปหมดเลยมันมีอยู่แต่ปล่อยวางความเข้าไปลงจิตบ้านถือนั่ น, น, นไม่ใช่ว่าเราไปตั้งเป้าหมายว่าถ้าเราปล่อยวางแล้วมันเลยจะว่างเปล่าเนั้นมันว่างปล่าจากตัวตนเท่านั้นเองที่เข้าไปยึดมั่นถึงนั่น คือมันเป็นยังไงอ่ะไม่มีใครเข้าไปสเสวยเลยไม่มีใครเอาไปลองรับไม่ว่ามันจะหนักหรือเบาแต่ท่านหมายเอาเบาไ ว, ไว้เออตนเริ่มหนักถ้าจะท่านหมายมันเบาไม่มีผู้หมายหนักไม่มีผู้หมายเบาเพราะปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้และปล่อยวางทัง้งผู้ไปรู้มันตัวเราผู้ไปรู้มันอ่ะมันเป็นตัวตนเป็นอาวิชาปล่อยวางทิ้งหมดเลยไม่ต้องการไม่ต้องกลัวว่า คอยวางหมดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่รู้เลยมันจะไม่เข้าใจผมก็มจะรู้จะเหน็นจะเข้าใจอยู่ผมก็จะเร่งเอาให้มันเข้าใจคุณยังห่วงควงาม ห, ห่มหหมนนวงควเข้าใจไว้นอกเหตุนอกผลนี่คืออะไรเหนือเหตุเหนือผลมันเหนือความเข้าใจอีกเมื่อไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มี ไม่มีตัวเรามันจึงไม่มีตัวเราไปเพ่งไม่มีตัวเราไปทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีตัวเราได้อะไรไม่มีตัวเราไปได้ ผู้ที่รู้ที่ที่เห็นที่ท่านกําลังตัวของท่านที่กําลังทำามเข้าใจที่กําลังวิเคราะห์ติดต่อก็หาใช่ตัวเราไงมันเป็นแค่สังขารตรงแต่งเพราะตัวเราไม่มีไงดันั้นไอ้ตัวที่กําลังวิเคราะห์ยังไงมันก็เป็นตัวสังขารตรงแต่งเมื่อไปวิเคราะห์ยังไงก็ไม่มีตัวเราให้ได้อะไรไม่เป็นไรเพราะไม่มีตัวเราเมื่อตัวเราตัวตนของเราไม่มีเม่เจ้ากระตัดแล้วไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนเท่าไหร่เลย ร่างกายมีแต่ดินน้ำลมไฟส่วนจิตหรือวิญญาณเป็นแต่ธาตุาาวางเปล่าธาตุรู้ร่างกายจิตใจประกอบไปได้วยห้าธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้หรือวิญญาณเธาตุที่ว่างเปล่าเป็นธาตุทั้งห้าธาตุมรวมกันเป็นขันหน้าคือ ม, มีความรู้สึกมีควาิตอารมณ์ขึ้นมาตัวเราจรึงไม่มีไม่มีตัวเเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงท่านจะรู้จะเห็นจะพยายามต้องการแต่ให้มันต่อหน้ า, ต, าต่อตาต่อให้มันขาดรู้วม่เห็นขาดหนังขาดใจให้มันปรากฏอาการขึ้นมาเป็นนิพพานมาขัด ผ่านใจของเรามันก็ยังเป็นความโง่ตลอดเพราะว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มี ม, ม, มีแต่ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นไงเพราะว่าสังขารร่างกายมันดินน้ํำลมไฟส่วนจิตวิญญาณเป็นธาตุรู้หรือวิญญาณอันธ า, า, าตุห้าธาตุมารวมกันเลยเป็นขันห้ามีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ได้เฉั้นมันจะมี ความรู้ความเห็นความเข้าใจมีปติยาใไนก็ตามไม่ว่าจะหนักจะเบาจะเข้าใจจะรู้แจ้งไหนก็ตามมันเป็นขาน้าหมดเลยเมื <ás> ่อมีมีต şey ัวเราแล้วจะมีใครไปลองรับสิ่งที่ท่านรู้เห็นเข้าใจ Ios, ความรู้เห็นเข้าใจมันก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับการรู้เห็นเข้าใจได้เพียงแค่เหมือน <park S 2> เรียนรู้ถ้าเรียนรู้ตอนที่ท่านเป็นฆลาวาสเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยแค่นั้นนะต่อนท่านทําความรู้เห็นเข้าใจยังไงมันก็เหมือนกันเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยแค่นั้นมันก็เป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้แต่ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรามันเพ่เงแพ่งปฏิกิริยาตึกตองคิดนึกวิเคราะห์วิจารวิจัย ปเป็นเรื่องของสังขารล้วนๆต่อให้มันคิดเร็วรกียังไงก็ไม่มีตัวเราเพราะมันมีแต่สังขารกายย่าสังขารกับจิตแต่สังขารแค่มันไม่มีเราเลยไม่มีตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเรานันไอ้ผู้ที่กำลังคิดอยู่กำลังวิเคราะห์กำลังนึกกำลังติดตองนันเนี่ย มันจึงเป็นแค่จิตแต่สังขารก็เอากายแสังขารไปที่เกลืออาศัยให้จิตแตสังขารได้ทํางานมีแต่สังขารทั้งนั้นเลยมีแต่กว่ามปุงแต่ไม่มีตัวเราอีกตัวเราไม่มีมันจะคิดวิเคราะห์ อ, อย่างไงก็ตามเป็นเรื่องของสังขารทั้งหมดเลยดังนั้นมันเลยคิดวิเคราะห์อย่างอิสระเสรีเลยเพราะมันไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเลย มันเป็นเรื่องของจิตสังขารวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตึกตอนน่องอย่างอิสระเสรีเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาติละ้วนเลยเป็นอิสระเสรีเป็นธรรมชาติละล้วนของจิตสังขารโดยอาศัยกายกายกายยระสังขารเป็นฐานเนี่ยมันได้คิดวิเคราะห์ได้ใช้ระบบสมองระบบความจําที่เรียนรู้มาฟังเรามาตามความเข้าใจมามันก็ระบบนี้เนี่กายกระสังขารระบบสมองระบบใจ มาบวกกับสติปัญญาในขันห้าก็าคิดวิเคราะห์ไปทั้งไอ้ร่างกายโลกสมองความจาได้จากที่ฟังเรียนรู้เรามากับสติปัญญาที่ท่านคิดดึงตองบูงแต่งในเรื่องของจิจกรรมขานคือน้ำนาำนประขันกับรูปปขันแค่นั้นแหละไม่ว่าท่านจะคิดวิเคราะห์ไหนก็เป็นเรื่องของน้ำขันกับรูปประขันมันก็ไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนนั้นท่านจะวิเคราะห์เร็วขนาดไหนก็ตา ไม่มีเราอยู่คือเบื้องหลังน่ะเบื้องหลังการวิเคราะห์เนี่ยเบื้องหลังที่วิเคราะห์ท่านจะไปวิเคราะห์ให้มันปิ้งชัดเจนด้วใจแล้วมีตัวเราได้ตัวเราสําเร็จตัวเราไหมสาเร็จต้องเปินิพานไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีเด็ดขาดในความหลงเด็ดขาดเพราะไม่มีตัวเราที่จะวิเคราะห์ไปพบไปปิ้งมีตัวเราไปได้เลยไม่มีตัวเราไปได้ตรงนั้น ขั้นต้องเข้าใจในปัจจ mm ุบ hmm. <nope. S 1> ันนี้เลยว่าวิเคราะห์ยังไงมันก็เป็นสังขารเป็นสังขารแค่มันก็เป็นแค่สังขารที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปมันเป็นแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าวิเคราะห์เร็วขนาดไหนหรือช้าขนาดไหนก็เป็นแค่สังขารที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยังจิจีสมุทียาทำมาสับต่างๆที่โราจับตาดูนี่แต่แค่นี้ในปัจจุบันตัวเราไม่มีเลยมีแต่ความเข้าใจอย่างเนี้ในปัจจุบันนี้เลย ไม่ใช่ว่าเราเล่งวิเคราะห์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปปิ้งไปรู้แจ้งแล้วเดินไปตัวเราไปสําเร็จในอาาานาคตข้างไม่มีมีแต่ชิ้นหลงในปัจจุบันนี้เองโอมันมีแต่มีแต่สังขารนี่ว่ามีแต่สังขารที่เกิดขึ้นแล้วสังขารที่ดับไปมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นแล้วสังขารที่ดับไปไม่ว่าจะวิเคราะห์เร็วขนาดไหนรู้แจ้งขนาดไหนมันก็เป็นสังขารทั้งหมดที่รู้แจ้ง แต่ในเลยไปตัวเราไม่มีไม่มีเลยไป แ, แล้วก็จะมีตัวเราไปไปรู้แจ้งไปสําเร็จไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นจะในใจจะมีความหลงตลอดเป็นเอาวิชาตลอดทางเลยเอาวิชาในใจไม่ดับเมื่อไหร่ไม่มีทางที่จะเข้าถึงผลจริงในปัจจุบันนี้เลยตัวคิดตัววิเคราะห์ตัววิาจารณ์วิจัยของพานของไหนมันไม่มันไม่หยุดมันไม่หยุดตัณหาตัณหาไม่ดับถ้าคิดหา ดินนน้นรนค้นหาพยายามหามันเป็นตัญหาปัญหามันเป็นสมุทัยที่ทําให้เกิดอุปปาทานอุปท า, านเป็นเหตุปัจจัยเกิดพบพบเป็นปันจจัยเกิดชาติจะลามระณะทุกโศกกาลิเทวการเวียนว่ายตายเกิดเพราะตัญหานี่ยเป็นต้นเด็กเจ้าตัดว่าปัญหาเนี่ยเป็นสมุทัยตัวใหญ่ท่านอย่างในใจของท่านเนี่ยคิดวิเคราะห์ดินน้นรนค้นหาพยายามหา หาหนทางท่านก็เป็นตันหาเดินทางตรงข้าพริพานตันหาดับหมดเนี่ยพระดิพานที่ปรากฏเราไม่เห็นโทษของตันหาคือยังหาอยู่ก็ไม่มีทางเพราะมันมันบังพระดิพานหมดมันตรงข้าพระดิพานตันหาใจของท่านยังหาอยู่ยังดิ้นหล่นังค้นหาอยากรยาวยิ่งเคราะห์ การวมีใจติดตรองหาหนทางหาทางพ้นทุกหาหนทางให้ตัวเราเป็นตัวเราได้ตัวเราถึงท่านยังหาหนทางให้ตัวเองมันเป็นตัณหาและปัญหาเนี่ยมันคือบางพระนิพพานมันแค่เนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับพระนิพพานมันอยู่ข้างล่างแล้วตัณหาเนี่ยมันมาเป็นผ้าที่ปิดไว้เค่นั้นแหละพอตัณหาดับเค่นั้นเน่ะไอ้ผ้าที่มาปิดไว้มันก็หายไปพระนิพพานมันมีอยู่แล้ว มันก็เกิดขึ้นเองมันก็เป็นมันเองกแหละมันไม่ใช่ว่าเราไปสร้างพระนิพพานขาาึ้นมาไอ้ตัณหาเนี่ยมันตัวมาบังแค่นั้นเองเราไม่จะไปหาให้มันเห็นหรอกเราเพียงแต่ดับตัณหาแค่นั้นเองเมื่อเราเห็นว่าอย่างเป็นตัณหาอ๋อตัณหามันตรงข้ามพระนิพพานมันเป็นท่าที่มาปิดพระนิพพานไว้พอตัณหาดับไปไห น, นไพานที่มาปิดพระนิพพานไว้มันก็นนดับตัณหาก็พระนิพพานก็เปิดเผยตัว ข, นขนึ้นมาเองกแหละไม่ใช่ว่ะ เราเอาตัวเราไปหาให้เป็นหรอกเราไปเห็นว่าไอ้ที่เราหาเนี่ยทุกขณะเนี่ยยังหาอยู่ในปัจจุบันดิ้นรนค้นหาหาวิถทางหาพระนิพพานให้ตัวเราหาทางให้เราเนี่ยบรรลุพรนิพานหาทางให้เรารู้แจ้งหาให้เราเป็นหาเราบรรลุหาหาทางให้เราเข้าใจมันเป็นปัญหาทางนแค่ไหนว่าขวนกับเด็ตัณหาหาแล้วตันไงมันเป็นตัณหาแล้วตัณหาใน่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยมันเป็นสมุทัยอ่ะตัวใหญ่ตัณหาดับดับหมดเลย อุปทานดับพบดับชาติดับชลาารณะโสกราบริเตวาทุกระโทมอุปไยาสะทุกตกเศร้าเสียใจกับแทนใจเวียนายไตเกิดดับเกลี้ยงเลยปัญหาเกิดอุปทานก็เกิดพบชาติก็เกิดทุกศกเศร้าเสียใจการเวีนว่ายไตเกิดก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีวันดับสินปัญหาดับอุปทานกระดับทุกระดับพบชากระดับหมดทุกระดับการเวียนวายไตเกิดกระดับหมดสัญหาดับปัญหาเกิด ทุกเกิดภพชาติเกิดอุปทานเกิดภพชาติเกิดตารเวียว่ายไปเกิดเกิดเนะปัญหาดับอุปทานกระดับภพชาติกระดับทุกโกกเฝ้าเจใจกับแคลนใจกระดับหมดดับการเวียว่ายไปเกิดหมดสิ้เลยความทุกข์ทั้งมวลกรดับพ้อไม่ใช่เราไปหาให้มันเห็นไปหาให้มันเป็นแต่เห็นโทษที่มันขณะปิมนี้เรายังหาอยู่และมันเดินทางตรงข้ามพระรทปารถิตติหา เราไม่ใช่ยิ่งไปหาให้มันเห็นให้มันเป็นต้องดับตัณหาให้เห็นกิริยาการจิตที่มันยังดิ้นที่มันยังค้นที่มันยังหาที่มันพยายามวิเคราะห์วิจารณวิจัยให้มันเป็นเในกิริยาการที่มันดิ้นที่มันพยายามค้นที่มันพยายามวิเคราะห์วิจารณวิจัยดับลงมันเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเป็นตันไอ้โดนเนี่ยกิริยาการเรายังเป็นตัณหามันดับลงหมดซิ้นแล้ว พนิพพานก็เปิดเผยตัวมันเองไงไม่ใช่เราไปวิเคราะห์วิจารวิจัยยิ่ ง, ด, งดิ้นหลนค้นหาให้มันเป็นให้มันถึงให้มันรู้แจ้งไม่ใช่นะไอการรู้แจ้งคือรู้แจ้งมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันแล้วกรดับไปได้หมดทีเมืมนะ่อนายพูดปัญญาที่รู้แจ้งไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการวิเคราะห์วิจารวิจัยดิ้นหลอ น, นหาแล้วไปให้รู้ให้เห็นให้เป็นไม่ใช่ ที่หลักหัวใจวิถีศาสนาก็คือเมื่อเหตุเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ยังต้องเกิดอยู่เมื่อเหตุแห่งตัณหาเกิดอยู่คือดิ้นหล่นยังดิ้นหล่นยังค้นหายังพยายามให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้เป็นเมื่อตัณหายังเกิดอยู่กิเลสตัณหายังเกิดอยู่ทุกข์ก็ยังเกิดอยู่อุปทรนก็ยังเกิดพบแช่งก็ยังเกิดทุกข์โศกเก่าเสียใจขับแกนใจก็ยังเกิดนี่นับปีิตจากสมุทัยเพราะเหตุคือตัณหาเนี่ยมันยังเกิดอยู่ ทุกตัวยังเกิดอยู <S <S ่ทุกชาติอะไรยังเกิดอยู่เพราะเหตุเนี่ยเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเนี่ยหัวใจของอุตสาหานะทั้งที่มีการดิ้นรนอย่างค้นหาอย่างพยายามเนี่ยข้อวิจารณ์วิจัยจะพยายามจะเอาให้มันรู้ให้เห็นให้ได้ให้มันเป็นให้ตลอดไป มันเป็นปัญหาแล้วมาตัญหายังมีอยู่อุปทานก็ต้องยังมีอยู่พบใช้ก็ต้องยังมีอยู่ปัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดพบปัญหาตัญหาเป็นใจเกิดอุปทานอุปทานเป็นเหตุป็นปัจจัยเกิดพบพบเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นเหตุเป็นปัจเกิดฉราบมรณะโตกับลิเดวาทุกกระเรถไปยาจะทุกตกเต่าเสียใจขับแกนใจแล้วไปสู่การเรียนว่าตายเกิดซ้ํานี่ปัญหาดับ อุปสรกรก็ดับพบก็ดับชายก็ดับชราวรณะทุกตกก็เสียงใจการเรียนร้ายตายเกิดดับพร้อมหมดสิ่งนี่ไงไม่ใช่เราดิ้นหนค้นหาให้มันไปรู้ให้เห็นมันแจ้งประจักษ์คาตาคาใจคาหนาวคาเผามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้ยิ่งดิ่มเถื่นยิ่งเป็นตัณหาตัณหาไม่ดับมันก็ไปขอดตําราเดียวก่นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด มันต้องพ้อกสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนีหัวใจอุตสาห์ศาสาานาที่เขาเัสลักไว้ในสาวาสุกนะที่เอาหัวใจอุตสาห์มาสลักไว้ในสาวาสุกเนี่ยเราก็จําภาษาบาลีไม่ได้ถึงว่าที่จำได้ไหมที่ว่าที่สาวาสกที่เขาสลักไว้อะไรนะ เ, เราเป็คนไม่ค่อยจะจำอะไรนะ แต่เราก็รู้อยู่ว่ามันไอ้นี่เน่ยคือเรารู้แต่ความแปลที่เป็นหัวใจมาใส่เราไม่รู้ภาษาบาลีที่ในปฏิจจการไม่ใช่มันที่ทัปฏิยตาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ่ไอ่ไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวพยายมไม่ใช่ที่ในสาโตกี่เป็นสลาบที่เสาโตกอ่ะมันนี้ที่มันเหตุปักภพวารเห็นไหม ที่เคยนต้ยินไหที่มีเหตุปพภาวะเออเออใช่ใช่ที่พระสริยสตรเทศนให้พระสัลีวิาหัวใจคำสอนพระศาสนาเนี่ยมันคืออะไร นเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้ามันถึงใจท่านเ น, นี่ยอันเนี้แต่เห ต, มเหตมเมุมันยังมีผลเหตุเกิดยังมีผลเกิดเมื่อยังมีถ้าเหตุดับมันมันมันมันดับแล้วเหตุอย่งการเกิดมันดับแล้วผลมันก็ต้องดับลงใจแห่ใจเกิดก็ต้องดับลงทุกข์ตั้งหลายก็ต้องดับนี่เนะี่ยก็คือเหตุแห่งทุกข์มันจะเกิดขึ้นทุกข์ก็ย่อมมีอยู่ตลอดเวลาแต่เหตุแห่งทุกข์มันดับหมดสิน้นความทุกข์ตั้งหลายก็ดับลง หรืออริยสัจสีนี่เองหรือปฏิจจสมุปาณิชยนี่แหละแสดงว่าอย่างที่ผมจะกัดติด ท, ท, ที่นั่งคำอะไร่างนี้มันคือไม่ใช่เลยที่พยายามจะให้เห็นให้เห็นนะอันนี้เป็นปัญหานี่เป็นปัญหาพยายามจะส่งตรงเนี่ยนี่คือไม่ใช่เลยนีผิดทางเลยไม่ไม่ใช่ผิดทางคืออันเนี้ยมันเท่ากับว่ามันไปนส ก, กัดความที่น่านเน่ยความรู้ความแตกต่างของท่านตอนที่มันแตกกระจายที่นั่นกว่ามาหาผมเนี่ย ที่มันรู้แบบว่ามันมันหลายๆอย่างแล้วท่านเอามารวมไม่ได<บ>้เหมือนจิ๊กซอว์มันในตัวจิ๊กซอที่เขามาต่อตเนี่ยของท่านเนี่ยต่อมาวันนี้มันกระจากระจายมันไปอยู่คนละทิศทางแล้วทวท่านมามาทําให้ไฟเสียงผมแล้วส่งขึ้นยูทูบเนี่ยคําสอนผมเนี่ยมันทําให้จิ๊กซอเนี่ยมันค่อยๆค่อยๆงวดเล้าเข้าเข้ามาที่มันอยู่คนละทิศทางกับจิ๊กซอที่มันต่อเข้ามาต่อเข้ามาต่อเข้ามาเนี่ยมันทำให้ค่อยๆมองเห็นภาพพจนมองเห็นภาพพจนมองเห็นภาพพวน์ภาพพจนพอมันท่านมองเห็นแล้วเขาเลยเร่งจ ทะลุขนทางเลยท่านเลยเร่งเลยรู้ขนทางและรูกทางแล้วท่านเลยเร่งเร่งเร่งเลยท้ายเนี่ยท่านก็ไม่เห็นนิทิงว่าอ๋อสุดท้ายไม่เห็นในตัวนี้เร่งเองนี่เนี่ยมันเป็นมันไอตัวที่เร่งนี้เองเนี่ยมันกลับมาเป็นอุปสรรคตัวเองแล้วก็ดับเลขลงดับความเร่งลงแล้วจบลงแต่ที่ท่านเร่งได้ก็เพราะว่าท่านเริ่มเอาไอตัวจิ๊กต่อแต่ละุ๊กจิ๊กต่อเนี่ยมันมาต่อกันก่อนมาพวกผมเนี่ยท่านท่าน ฟังนู่นบางนี้มาไปปฏิบัติที่นู่นมาที่นี่มาท่านพอมีความรู้เขาเข้าใจแล้วแต่ตัวคิดตอของท่านที่ความรู้เห็นมันเหมือ น, นกับกระจายมันไม่ไม่ไม่ไม่ไมเที่ยวจนวดขมังวดขมังวดขมังวดขมังท่านมองเห็นไมเห็นช่องทางหรอเอาอย่างนี้จะาจะอย่างนั้นพินาัการดีไหมพินัยจิตดีไหมพี่นาทําได้ไหมหรือผมรวบยอดขันห้าเลยท่านยังแบบม่วนๆเลยมันมาตอนแรกอะท่านจาได้ไหมล่ะแล้วตอนเนี้ยคิดต่อพอท่านมาเนี่ยเอามา ไฟเสียงผมมาตัดต่อแล้วขึ้นยูทูบอย่าท่านก็ฟังฟังฟังฟังฟังมันค่อยๆงวดเข้ามาเหมือนกับว่าอะไรล่ะเหมือนกับกวนในอะไรวะที่ก็กวนกะละแมหรือกวนในขยะจานอ่ะอันนี้นั่นอ่ะเดิมมันก็ใส่กะทิใส่ใส่ถั่วใส่งาใส่ข้าวตูใส่ตอพ้ะใส่อะไรแน่แนะมันก็ยังยังเป็นของแต่ละอย่างแต่ละอย่างมามารวมกันในกระทะแล้วก็พอกวนมาฟังผำหมูมากๆแล้วเนาะ ไฟเสียงแล้วคุณมาตัดตอ่อแต่แล้วไฟคุณต้องฟังหลายรอบก่อนที่จะตัดต่อไปตัดตอ่อเอาไอ้ไอ้สิ่งที่ไม่จะเป็นออกแล้วก็คุณก็ส่งขึ้ น, YouTube, นยูทูบบ่อยๆบ่อยๆมันก็เลยหลายไฟหลายไฟออกมาเข้าคุณไปเลยค่อยๆมวดเข้ามาค่อยๆ ค, ค, คุณเคี่ยวไอ้ไอ้พวกเนี้ยไอ้ขนมปัจจานหรือไอ้ไขนมปวนเนี่ยค่อยๆที่มันกะทิมันมน้าตาลมากให้ไปเผือกนัมันใ้พวกถั่วงาอะไรเนี้ยมันค่อยๆเคี่ยวงวดเข้ามางวดเข้ามางวดเข้ามางวดเข้ามาเนี่ยพวกคุณอะ พอคุณรู้ช่องทางเนี่ยมันกดกัามาคุณตอนนี้ตอนหลังเนี่ย ค, คุณกวรใหญ่เลยเร่งปิดไม่หยุดเลยตอนนี้คุณกวนทงวเร่งใหญ่เลยเร่งเลกวนเลยนตอนนี้พังเลยกระทะกระทะอะ น, นั้นเนี่ยพังไปหมดเลยขนมขนมพั ง, งหมดกระทะกระทะทะลุเลยเร่งเล่งมันไม่วนมือถไฟให้คนเร่งก็ตายก่อนแต่ผมผมว่าผมเหมือนว่าทางมันชัดเจนขึ้นเรื่อยในความรู้สึกอ่ แล้วที่สุดนะครูก็มาตายตัวเล้งนี่ยแต่จริงๆมันมันก็ยังไม่สว่างโลดพอเป็นเล่งเพื่อวัสดุประมาณนี้เราไม่เห็นว่าตัวเล้งเป็นตัณหาไงเพราะว่าไอ้ตัวเล่งนี่มันตัวอยากนะอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุอยากพานิพันธ์มันเป็นกิเลสตัณหาถ้านไม่เห็นว่ากิเลสตัณหามันมันเป็นทางตรงข้ามพานิพันธ์หรือมันเป็นเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่มาปิดพานิพันธ์เสียพอกิเลสตัณหาดับหมดแล้วนั่นแหละพานิพันธ์ก็เปิดเผยตัวมันขึ้นเอง